ถ้าเราฝึกเจโตสมถะเราจะมาใช้ได้ในช่วงเวลาพวกนี้นะเพราะถ้าใครมีตัวนี้อยู่เนี่ยจะช่วยได้ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะ น, นี่เอาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนจะมาช่วยได้เยอะเลยคนที่มีการฝึกเจโตมาเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะดูเหมือนป่วยน้อยกว่าคนที่ที่ไม่ฝึกจิตมาหมายถึงฝึกจิตแบบสมถะเนี่ยนะ เพราะว่ามันมีกำลังของจิตที่มันมันมันมันฟื้นมันขม่มมันเบรกมันชะ ง, งักจิตไว้ ไ, ได้ทำให้บางทีทำอะไรเหมือนกับไม่เป็นอะไรแต่ความจริงเป็นมากกว่าคนอื่นนะแต่กลับดูเหมือนไม่เป็นอะไรเพราะว่าเขาสามารถมันเหมือนกับระ ง, งับจิตตัวเองไปได้ทำให้จริงจริงบางทีก็ปวดอยู่อะไรอยู่แต่มันระ ง, งับไประ ง, งับไปใช่ว่าไม่ปวดเลยนะบางที มันรู้สึกอยู่ว่าเออมันก็เจ็บอยู่มันก็ปวดอยู่แต่จิตเราเนี่ยมันมันสามารถที่จะไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่คิดถึงไอ้เรื่องนั้นมันก็เลยเหมือนกับเฉยๆกับไอ้เรื่องนั้น ท, ทั้งๆที่จริงๆแล้วก็เจ็บอยู่ปวดอยู่แต่มันจะไม่ไม่เจ็บปวดมากเหมือนกับไอ้ <sondern S 2> ตอนที่จิตเราเนี่ยไปอยู่กับความเจ็บปวดนั้นเพราะว่อพอจิตเราไปอยู่กับความเจ็บปวดนั้นเนี่ยนะจิตเราเนี่ยมัน มันจะกลัวไอ้ความกลัวเราเนี่ยมันไปบวกทําให้เราเนี่ยเจ็บหรือว่าปวดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่พอจิตเราตัดได้ไม่ไปมีตัวกลัวไม่ต้องไปหวาดเสียวไม่ต้องไปอะไรอะรู้สึกโอ้จะตายจะตายทุกทรมานอะไรนะจิตมันตัดมาแล้วเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดนั่นจะลดลงทันทีมันลดลงเพราะลดลงในจิตแเรานะมันไม่ใช่ลดลงตามความจริงของไอ้อาการนะ อาการที่สูงติว่านเนื้อเนี่ยโดนมีดบาดอย่างเงี้ยเจ็บนะอาการเจ็บนี่เจ็บเท่าเดิมอย่างเช่นสมงว่ามีดบาดนะ่ะแผลเบิกอย่างเงี้ยใช่แผลเอ่ออะไรอ่ะเบก อ, ออกมาอย่างเงี้ยไอ้เจ็บจริงๆเนี่ยอาการของเนื้อที่แบออกมานี่เท่าเดิมแต่ไอ้ที่เราเจ็บปวดมากโอ้ยบางคนเนี่ยเห็นยิงเห็นเลือดไหลโอยจะตายแล้วจะตายแล้ว บางทังที่จริงๆเนี่ยแผลเจ็บเท่าเดิมเลือดไหลเท่าเดิมแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาเออ ส, สะกดจิตเขาอะหรือว่าใช้สมถะเข้าไปช่วยเออช่างมันไหลก็ไหลนะแผลแบก็แบกแต่เขาไม่ห่วงเขาไม่กลัวเขาไม่กังวเลวเขาไม่อะไรเนี่ยไม่ไม่สนใจไม่ใ ย, ยดีอะไรมันสักเท่าไหลด้วยบางทียิ่งจําได้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราไปโดนอะไรเป็นบาดแผลเสร็จแล้วเรากำลังพอดีมีเหตุอะไรเกิดขึ้นมาแล้วต้อง โอ้โหต้องเร่งรีบต้องไปทำํนทำนนทําำนี่บางทีลืมเลยนนไม่เจ็บเลยนะแม้แต่บางทีโอ้โหโดนเสียงตํานี่เดี๋ยวจะตายให้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปจดจ่อคิดอยู่แต่ไอเซียนที่มันตําอยู่นะ่ะคิดแต่ไอเซียนที่มันตําอยู่นะ่ะตายจริงๆตายเพราะมันช็อกตายหัวใจวายตายอ่วันบางคนเนี่ยอาตมาถึงอยากจะบอกบางคนเนี่ยเราไปเกลียดใครหรือว่าเราไปรักใคร ที่มันเป็นกิเลส ท, ที่หยาบยาบเนี่นะไปเกลียดใครหรือว่าไปรักใครที่รุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรมันเพราะจิตเราเนี่ยแหละที่เราไปเพิ่มเองอ่ะเราไปบวกเองอ่ะทั้งทั้งที่ความจริงน่ะคนนั้นทําให้เราเกลียดเพิ่มก็ไม่ได้ทําให้เรารักเพิ่มก็ไม่ได้แต่เราเองเนี่ยเป็นผู้ที่เกลียดเพิ่มเองหรือว่ารักเพิ่มเองตามจิตที่เราเนี่ยปล่อยไปปล่อยไปถ้าคุณสายโทรศัพท์คุณปล่อยให้มันมยิ่งคิด แค้นยิ่งคิดไม่ชอบใจยิ่งคิดเกียจชังเอาคุณเพิ่มไปเรื่อยคุณเพิ่มไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยก็ยิ่งแค้นหนักขึ้นเท่านั้นคุณไปรักไปผูกพันใครเนี่ยคุณก็คิดแต่คนนั้นคิดแต่ในแง่โอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างงี้อะไรรักเพิ่มขึ้นเรื่อยเรักเพิ่มขึ้นเรื่อยเอยอาการก็หนักขึ้นเรื่อยเรยมันในจิตเราทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าคนนั้นมาทําเพิ่มอะไรให้เรานะแต่เป็นตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นจิตเราเองเนี่ยแหละที่มันมันคิดเนี่ยแหละ เพราะอันเนี้ยอยากจะบอกพวกเรานะถ้าพวกเราเนี่ยสามารถวันสมถะที่มันช่วยได้เนี่ยงั้นอย่างดูสีไงบางทีดูแล้วเหมือนไม่เห็นจะมีโทสะไม่เห็นจะมีกามอะไรก็นั่งกันหนาแต่ไม่ใช่หมดแล้วนะแต่ว่าเขาสามารถระงับเอาไว้ได้กันมันเอาไว้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ไม่ใช่ขุดลากถอนคนอะไรเลยแต่แค่ยั้งมันเอาไว้ได้เท่านั้นนี่หยุดมันเอาไว้ได้ แต่มันยังฝังอยู่อย่างนั้นวันรือสีก็รือสีะคนที่เก่งมากก็ยังได้ยังเอาไว้ใจลึกฝังเอาไว้ใ้ลึกแต่ถ้าไม่เก่งมันก็ยังได้ชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นเพราะเราจะต้องมาวิปัสสนาให้ได้มารู้จักใช้ปัญญาแยกแยกนะมารูจักคิดให้เป็นคิดให้ดีคิดให้เกิดกุศลจนกระทั่งไอความรักก็ตามความชังก็ตามเนี่ยมันโดนสลายเพราะ เราวิปัสสนาเนี่ยนะมันสลายไปเรื่อยสลายไปเรื่อยสลายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นไอความรักความชังหรืออัตตามานาเนี่ยมันก็ค่อยหลุดออกไปจากจิตเราหลุดออกไปจากจิตเราหลุดออกไปจากจิตเราเพราะนั้นคราวนี้เนี่ยจิตเรามันก็จะเบายิ่งขึ้นสบายยิ่งขึ้นจะมีความสุขมีปิติยิ่งขึ้นในจิตเรานะอันนี้ก็พูดให้ฟังอ่าตอนนี้เขาขึ้นแม่มันเป็นหัวข้อหรือเปล่าเนี่ย หรือว่ามันอยู่ในอันนี้เขามันมีตัวโป้งขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยนะว่าฉันคือโลกแล้วก็วงเล็บอ e ีโกเซนติกดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้นๆว่าด้วยเรื่องอ e ีโกเซนติกซึ่งเป็นเรื่องของการเรียกร้องความสนใจยังเป็นลักษณะเอาแต่ใจตัวคิดว่าตัวเองนั้นสำคัญอยู่ร่ำไปเอาแล้วนะงานนี้รับรองว่า ใครๆก็หนีไม่พ้นแน่นะทุกคนจะต้องเคยเรียกร้องมาแน่ๆคือให้ความสำคัญกับตัวเองนะอีโก้เนี่ยความทุกข์ของมนุษย์เราก็เนื่องจากให้ความสำคัญแก่ตัวเองมากไปเห็นไหมเมื่อยิ่งให้ความสำคัญมากก็ยิ่งทุกข์มากเป็นธรรมดาผู้นั้นจะเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกๆสิ่งถึงเรียกกันว่าฉันคือโลก กล่าวคือฉันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างฉันคือโลกโลกนะไม่ใช่โรคนะฉันคือโรคไอ้นั่นมันเดี๋ยวเป็นเอดไปละอย่างนั้นอ่ะอันนี้ฉันคือโลกนี่คือพูดงว่าฉันนี่แหละแน่ฉันนี่ระยานะฉันนี่ระเบ้งอะไรอย่างนี้เนี่ยคือฉันคือโลกอะไรอะไรต้องฉันต้องของฉันต้องทำให้ฉันอะไรอย่างนี้นะคือฉันคือโลกฉันเป็นทุกสิ่ง เริ่มเมื่อแรกเกิดลืมตาออกมาอยากจะเป็นที่สนใจของพ่อแม่โตขึ้นก็อยากเป็นที่สนใจของเพื่อนของคนรักที่สุดแม้กระทั่งของพระพรหมเทวดาฟ้าดินนี่มันจะเกินไปหรือเปล่าของพระพรหมของเทวดาฟ้าดินไม่ว่าเขาผู้นั้นจะสถิตณที่แห่งใดเขาก็จะร่ำร้องแต่ความเป็นใหญ่ ความได้เป็นศูนย์กลางเข้ามาหาตัวเองอยู่ตลอดเวลายังอยากมีค่าในสายตาผู้อื่นแต่ค่าเหล่านี้กลับเป็นค่าที่เพียงเพอ้อฝันยิ่งอยากมีค่าเพียงใดก็ดูจะมีปมด้อยมากเพียงนั้นฟังดูให้ดีนะเขาบอกว่ายิ่งอยากมีค่ามากเพียงใดก็ดูจะมีปมด้อยมากเพียงนั้นไอค้คำว่าอยากมีค่าเพียงใดเนี่ยคือพูดง่ายว่า คนอื่นเขาไม่ค่อยให้ค่าเข้าใจไหมแต่เราเนี่ยแม้มันอยากจะมีค่ามากๆแต่คนอื่นเขาไม่ค่อยให้ค่าไอลักษณะอย่างนี้แหละมันเลยเป็นเหมือนกับปมด้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครยิ่งยิ่งคิดว่าอยากจะให้มีค่ามากเท่าไหร่ให้คนเข้ามาศรัทธาให้คนเข้ามารักใครชอบพอให้เข้ามาเคารพนับถืออะไรเงี้ยยิ่งอยากมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงให้เห็นว่าคนนั้นมีปมด้อยมากเท่านั้น หรือมีการเรียกร้องมากเท่านั้นเมื่อฉันคือโลกพอกพูนหนักเข้าหนักเข้าจะกลายเป็นผู้ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่มีทางสําเร็จเพราะความคิดในเรื่องนี้มักจะเป็นตุ่มทวงให้เนิ่นช้ายิ่งขึ้นจะอยู่ทางโลกก็ไม่รุ่งโรจน์แม้จะมาอยู่ทางธรรม ก็พลาดอํมมาตรต์นะพูดง่ า, งงายๆว่าคนนี้นะไม่ประสบความสาเร็จนั่นเองคนที่ไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะทางโรคทางธรรมก็ตามมันจะทำให้คนนั้นเกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยถึงได้เรียกร้องมากเรียกร้องคนอื่นเนี่ยเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะนั้นคนที่ยิ่ง ยิ่งมีจิตที่เรียกร้องมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเห็นว่าคนนั้นไม่มีความเชื่อมั่นในฝีมือในผลงานหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองกระทำมากเท่านั้นเพราะในมุมกลับคนที่มีความเชื่อมั่นสูงในตัวเองก็จะยิ่งไม่เรียกร้องคนอื่นเพราะว่าแน่ใจมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองจะไปรอด ตัวเองเนี่ยไปได้ตัวเองเนี่ทำงานสำเร็จแน่อ่แม้ไม่มีใครมาช่วยประกาศไปแล้วไม่มีใครมาช่วยนะค่าทาคนเดียวก็ได้รับรองก็ต้องเสร็จข้าทักวันงแต่จะกี่วันเสร็จท่านั่นเองกันนะอเอาจริงจริงถ้าคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรเนี่ยจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเรียกร้องอะ่ะจะไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกน้อยใจไม่รู้สึกแมผิดหวงังเสียใจ บางที่ประกาศไปอ้าวมาช่วยกันมาทําเราคิดอะไรหน่อยนะชามารอประกาศอ้าวตอนนี้ชามารอต้องการแรงงานคนขอให้มาช่วยกันหน่อยประกาศไปเสร็จมีเด็กตัวเล็กคนหนึ่งเดินไปนะแหมผู้ใหญ่ตัวโตไม่มีเดินมาช่วยเลยสักคน เ, เนี่ยบางคนเนี่ยถ้าถ้ามีตัวเรียกร้องสูงเพราะไม่เชื่อมันในตัวเองแค่เจอสภาพ พ, พวกนี้เอาละรู้สึก ผิดหวังรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยใจรู้สึกท้อใจมันจะเกิดสภาพนี้ขึ้นมาเพราะไอ้ผลสะท้อนอย่างเนี้ยที่มันกลับมาเนี่ยมันเป็นการทําให้เราเห็นกิเลสตัวเราเองหรือเห็นตัวเราเองได้ชัดขึ้นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เรียกร้องคนอื่นมากขนาดไหนน<ต>ะก็อีกโก้เหมือนกันนะ ก็ใช่นะแต่ตอนนี้เนี่ยเราพูดในมุมที่เรียกว่าการเรียกร้อง<ม>เข้าใจไหมอ่าในการเรียกร้องที่ในเชิงว่าคนนั้นเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าอ่อนแอ น, นั่นเองถึงได้ต้องการให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยเหลือมาเคารพมานับถือแม้ว่าบางทีบางคนเนี่ยดูภายนอกเหมือนกับแหมคนเข้มแข็งนะดูแลเหมือนแหม เด็ดเดียวดูแล้วเหมือนกล้าหารแต่ความจริงบางทีไม่ใช่เราดูจากสภาพ เ, าเหตุการณ์สภาพอะไรต่างๆเนี่ยได้ว่าบางทคีคนนั้นจริงๆไม่ได้เข้มแข็งเพราะคนเข้มแข็งจริงๆบางทีกับไม่ใช่คนที่เราดูข้างนอกแล้วแหมมาดแมนแล้วกนแมเดินอย่างกับเครื่องจักรนะบางทีโอโ้โหอาจจะเดินแบบ หยิบหเดินแบบอะไรอะ่ะนุ่มๆ น, นะโอ้โ oh, หแต่จริงๆหยิดแข็งมากเลยก็ได้นะอาจจะเรียกว่าทํางานหรือว่าอะไรแล้วก็ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองได้ไม่จําเป็นไม่ต้องเรียกร้องใครมาช่วยก็ได้อะไรเนี้ยอาจจะคนละลักษณะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ให้เราลองสังเกตแต่มันจะมีมุมกลับมีอะไรอีกเยอะนะเดี๋ยวเดยเราอ่านไปคิดว่าเขาคงจะมีพูดถึง น้าฉันคือโลกจึงเปรียบเสมือนเชื้อร้ายที่เกาะกินหัวใจทีละน้อยทีละน้อยกัดกร่อนลงไปเรื่อยๆเป็นการตัดสภาพความแท้จริงของโลกว่าโลกนี้มิได้มีแต่เพียงฉันคนเดียวทุกคนนั่นแหละคือโลกและโลกนั่นแหละคือทุกคน อันนี้เข้าหมายความว่างเป็นการตัดสภาพความแท้จริงของโลกว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่เพียงฉันคนเดียวเอ๊ตรงนี้เข้าหมายความว่าไงเป็นการตัดสภาพความแท้จริงของโลกว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่ฉันคนเดียวทุกคนนั่นแหละคือโลกอีโก้ตอนนี้เรากาลังพูดถึงว่า เออเอ่อเ อ, เอภาษาไทยจะเรียกอะไรนะอีโก้อัตตาแหมเอาอะไที่ง่ายกับอัตตามีไหมอีกมันมันไม่ใช่ความเห็นกับตัวเดี๋ยวมันจะใช้ภาษาแหละจะใช้ว่าตัวตนก็คงไม่ใช่นะนฮะตัวเครื่องเหรออืมอีโก้ e นั่นแหละมันก็เป็นไอตัวเชื่อมัน่นเป็นตัวอะไรเนี่ยแต่ยังรู้สึกว่ามันไม่มีภาษาไทยที่มันจะชัดๆมันมันมันก็ไม่ใช่แบบว่าอย่าโชว์อะไรอะอะไรนะอีโก้นนออเนี่ยอีกโก้ตัวกู <c oughs> <c oughs> นั่นนะมันทำนองนั่นแหะนะ ท่นพุทธทท่านใช่เลยตัวกูของกูใช่ไหมมันน่ะอัตตาเนี่ยแหละนะตัวกูของกูเนี่ยอีโก้เนี่ยแหละคิดว่าเราคงจะพอเข้าใจกันอยู่นะคือถ้าอีโก้มันเกิดเนี่ยมันจะค่าคนเดียวใหญ่ที่สุดคนอื่นไม่ใหญ่เท่าค่าทั้งน้นที่ความเป็นจริงแล้วคนอื่นเขก็ใหญ่เหมือนกันแหละบางทีใหญ่กว่าเราอีกด้วยเรานะ่ยบางทีเนะี่ยตัวเลก็กจิ๊ดเดียวเองอ่ะนะนะ แต่เป็นหลงตัวเอ ง, งเนยหลงตัวเองมีอีโกโ้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีตัวกูของกูเกิดขึ้นมันก็เลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยไม่ดีเท่าเราไม่เก่งเท่าเราน้ําไม่ดังเท่าเราไม่แสบเท่าเราแต่คงไม่มีใครแสบเท่าคนที่อยู่คลองแสนแสบนะใครบ้างที่รักจะคบแต่ผู้หิวกระหายตลอดเวลา ทุกคนต่างก็อยากคบอยากสังสรรค์กับผู้ที่อิ่มเต็มแล้วต่างหากยิ่งมีเจือจานออกไปก็ยิ่งดีใหญ่ความหิวกะหายจึงทําให้ผู้รู้ผู้เห็นไม่กล้าเข้าใกล้คืออันนี้เขากำลังจะพูดถึงว่าแหมบางคนเรียกร้องมากเหลือเกินนะเรียกร้องจนกระทั่งโอ้ไม่มีอิ่มไม่มีพอใครเไม่อยากเข้าใกล้อะนะ อยากจะให้ใครต่อใครมาเอาอกเอาใจอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวหรอกนมันจะเด็กเกินไปนะวันพวกพวกนี้มันจะเด็กเกินไปคนเขาก็อยากที่จะอยู่กับคนที่แหมเป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นผู้ใหญ่มากก็พึ่งตนเองได้แล้วแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ใช่ไหมไม่มีอีโกนะ้สามารถจะเป็นที่พึ่งของอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เสียสละได้ยอมคนอื่นได้ใน ในสิ่งที่ถูกสัจจานะีอ่าหรือแม้ว่าอะไรอ่ะบางครั้งก็ดูตามเหตุการณ์ว่าอา้าวจะยอมได้แค่ไหนตามธรรมเนี่ยจะยอมได้แค่ไหนก็ดูอา้าวแต่คนก็อยากเข้าใกล้คนที่อะไรอ่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่เรียกร้องไม่มีอีโก้อย่างนี้นะทุกวันนี้เราจึงพบมากมายไม่ว่าที่ไหนที่จะเห็นเด็ก ตามหาแม่ด้วยความหวาดหวัน่นน้อยนักที่จะพบแม่ตามหาลูกทุกคนต่างจะรักให้คนอื่นมาดูแลเอาใจใส่ประครบประงมหรือแม้แต่มาสนอกสนใจในตัวของเราเองเมื่อผิดหวังทีไรก็น้อยใจเสียใจและที่สุดก็คือความเกลียดอาฆาตนะอันนี้อย่างที่ตะเกียตมาเล่าไปแล้วะ ถ้าลองแม่อยากให้ใครมาเอาใจแต่พอผิดหวังพอไม่ได้สมหลั่งใจตัวเองคราวนี้ก็น้อยใจเสียใจท้อใจก็แล้วแต่นะว่าจะมาจากสายพันธ์ไหนถ้าสายพันธุ์โทสาก็อา้าวนะงงโปรธเกียนะถ้าสายพันธุ์ราคะก็เอาร้องโผมร้องห้าวเยอกเสียใจนะถ้าสายมานะนี่อาจจะปึ้งตึงแล้วก็ ไม่งอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยความคิดของพวกฉันคือโลกยิ่งนานวันไปก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นนั่นก็ย่อมหมายความว่าเขายิ่งมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะจะไม่มีการให้อภัยแก่ฝ่ายตรงข้ามทัศนคติในการมองก็แคบและตื้นดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยเพียงแค่ไม่คุยด้วย ก็น้อยใจไม่ทักเราก็โมโหไม่ยิ้มให้ก็ชักจะเกลียดพูดกับเราแรงไปชักไม่ชอบเถียงเราชักขุนนะถ้าใครมีหนังสืออันนี้จะเห็นชัดว่าเขาเขาแยกกันอยู่ว่ามันจะเกิดอาการอย่างนี้นะคือแหมพูดง่ายๆว่าใครไม่คุยด้วยเท่านี้ก็โอ้ยน้อยใจแล้ว เขาไม่ยิ้มให้หน่อยก็ไม่ยิ้มให้นล้อะทีใครทีมันนะ <c oughs> อะ่ใครมาเถียงเราเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้เถียงแล้ ว, ลวเหรอดีนี้เถียงแล้เหรอเีเคยแต่สยบยอมเดี๋ยวนี้เถียงเหรออ่าสวยสิยนนั่นแหละชักไม่ชอบใจไม่พอใจนะเรื่องทุกเรื่องนั่นแหละถ้าจะมองเป็นเรื่องมันก็เป็นได้ คืออันนี้เขากำลังจะพูดสภาพสาวิจิตซึ่งอาตมาก็ก็พูดมาให้พวกเราฟังแล้วแหละนะยกมาก่อนตัวอย่างเขานี่แล้วซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าอาตมาถึงได้พยายามบอกพวกเราเนี่ยว่าจับจิตเราให้ได้แล้วตรวจดูสภาพอาการกายกรรมวจีกรรมเราเนี่ยให้ได้ว่าเออมันมีอะไรหลุดออกมานะน็อดอะไรหลุดตัวไหนนะตัวไหนบ้างหลุดออกมา หลุดจากทางปากหลุดจากทางหูหรือหลุดจากทางจมูกถ้าทางจมูกนี่ก็ฝุดฝุดฝุดฝุดเออหลุดจากข้างตา่างเง้หือไฟลบเลยนะตาเนี่ยนะอะไรนะนอ๋อน้ำตาไหลอืมอคือจะให้เห็นเนี่ยใ ห, ห้หัดสังเกตวานบางคนเนี่ย ยากนะมีความรึกไอ้จับจิตยังไงไม่รู้จะจับยังไงเพราะมันก็บางคนจะต้องเริ่มจับเนี่ยแหละดูจากบุคลิกภายนอกเราเนี่ยแหละไล่ไปกายกรรมวัจีกรรมเราแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองเราจะเริ่มเข้าไปในจิตเราแล้วเราจะเริ่มรู้เองว่าอ๋อจิตเราเป็นอย่างนี้นี่เองมันถึงได้มีผลออกมาเป็นกายกรรมอย่างนี้มีผลออกมาเป็นวัจีกรรมอย่างนี้ที่บอกว่าฝึกจับจิตจับจิตก็คืออย่างนี้แหละความพอใครฝึกจับได้เก่งขึ้นเก่งขึ้น คราวนี้แหละเราถึงจะรู้ตัวไวขึ้นมาโอ้โหตอนนี้เกิดน้อยใจแล้วตอนนี้เกิดเสียใจตอนนี้เจ็บใจคราวนี้พอมันจับได้แล้วเรารู้แล้วโอ้โหเราเรียกร้องเกินไปหรือเปล่านะเราเรามีตัวกูของกูขนาดไหนกันเนี่ยใช่ไหมเราจะลดลงได้ไหมเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะให้อภัย เราจะไม่ถือสาอะไรเงี้ยมันถึงไอ้สิ่งเหล่านี้มันถึงจะตามมาได้แต่ถ้าคุณจับไม่ได้นี่ไม่มีทางเลยมันมันยิ่งไม่ยิ้มให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดมากเท่านั้นยิ่งไม่ทักเราเราก็ยิ่งอยากคุยกอยาคุยกันเลยชาติเนี้ยอ่ามันจะมีแต่จะหนักขึ้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมัาน้องจับให้ได้ไล่ให้ทันจิตของเราเราถึงจะแก้มันได้ถึงจะบรรเทาเบาางมันลงไปได้ โรคจิตแหม น, นี้ขึ้นมาโรคจิตก็ชักจะกําเริบมากขึ้นเพราะยิ่งเป็นมากจิตใจมันจะทนการปฏิเสธของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นหนักขึ้นยิ่งเลอะไปใหญ่ความคิดว่าฉันคือโลกก็เลยยิ่งทําให้หลงตัวหลงตนหนักเข้าไปอีกทีนี้แม้แต่ความผิดของตัวเองก็ไม่ยอมมองเพราะ เมื่อตัวเองยิ่งสำคัญก็ยิ่งผิดไม่ได้แม้ผิดก็จะไม่ยอมรับสิ่งที่แสดงออกมาจึงไม่ได้แกล้งทำแต่เป็นอัตโนมัติไปเสียแล้วเถียงโตเถียงได้เป็นเถียงไม่มไม่มีตกฟากและบางทีเราก็จะพบถึงขนาดนะตัวอย่างโดนคู่รักตบตีก็ภูมิใจว่า รักเราโอ้เขาว่าผู้หญิงตบก็ว่าผู้หญิงรักใช่ไหมแล้วอย่างนี้ผู้ชายผู้ชายเตะก็หมายถึงผู้ชายรักหรือยังไงเออคือมันคิดกับตาลปัดได้อ่ะนะแล้วก็ไม่ใช่แกล้งคิดนะคือคือมันมันคิดให้ความสาคัญกับตัวเองไงจนกระทั่งมันหลงตัวเอง คิดว่าใครเขาทาอะไรมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นหมดก็จริงๆนะนี่จะมายืนยันเลยเพราะมามีประสบการณ์ด้วยตัวเองสมมุตินะอนสมมุติว่าใครเนี่ยนะเกิดไปติดพันพวกคุณใครก็ได้เกิดไปไปรักไปชอบพวกคุณแต่คุณไม่ชอบเลยนะคุณเกลียดด้วยซ้ำไปพอคนนี้เข้ามาถึงคุณก็บางทีแบบว่าอะไรอะ่ะว่าก็ให้ไล่ไปอ่ะ คิดเข้าข้างตัวเองเลยอ๋อไล่เราเพราะจะชอบเราอ๋อจริงๆแล้วมันหาเหตุผลมาจนได้อะว่าอ๋อไล่เราเพราะว่าอะไรดีเหตุผลนะผมไม่เคยไล่ใครเลยพวกนี้นะอะไรแกล้งทําหาเหตุผลหาเหตุผลว่าว่าที่ที่ที่ไล่เนี่ยเพราะอะไรทำไมต้องไล่ คือคือคนนั้นนะ่ยโดนไล่ใช่ไหมสมมติว่าผู้ชายเอาผู้ชายเนี่ยจะไปตื้อผู้หญิงเนี่ยแล้วผู้หญิงเขาก็ไล่จริงๆเนี่ยเขาไล่โดยคำไม่ชอบแต่ผู้ชายนี่ก็หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะว่าเอาเนี่แหละว่าเขาไล่เนี่ยเพราะว่าเขาจะลองใจนะ <c oughs> ดูซิว่าจะมีความอดทนมีความพยายามขนาดไหน ่<ด>เข้าข้า ง, งตัวเองยิ่งๆเขาเกียจะตายชักไปโอ้ อ, อะไรนะนนจะไปาอได้ยังไงแล้วก็เพราะมันคิดว่าโอยนี่เขาจะลองใจเราเขาจะให้เรามาอีกไงแล้วก็เขาจะทดสอบเราอีกอ่ <c oughs> <c oughs> าแหนดานเลยเ <c oughs> ออคือมันจะคิดเข้าข้า ง, งตัวเองมันจะหาเหตุผลอย่างเงี้ย แล้วมันจนถ้าอย่างเงี้มากเข้ามากเข้ามันก็จะหลงตัวไปเลยเพราะงคราวนี้เนี่ยเหตุผลไม่ได้ถูกต้องอะไรเลยแต่ก็คิดเพื่อที่จะให้สมใจตัวเองทั้งสิน้นให้ความสาคัญกับตัวเองทั้งสิน้นอ่าหรือตัวอย่างต่อไปโดนโดนเขาดุด่าติเตียนตรงๆก็หาว่าเขาเจตนากระทบเพื่อส่งไปยังคนอื่นเออ นะอย่างนี้ก็มีหรือแม้ตัวเองติดคุกก็กลายเป็นว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่ที่ติดก็เพราะสารไม่ยุติธรรมนะอย่างนี้ก็มีอีกอะ่ะอ้าวอีกตัวอย่างมีอะไรผิดขึ้นมาทุกคนผิดหมดตัวกูไม่ผิดแหมขอเปลี่ยนสำนวนเขาใช้ว่าตัวเองไม่ผิดอีกตัว <c oughs> อย่างหนึง่ง มองทุกคนคอยแต่จะใส่ร้ายตัวเพ่งโทษตัวมองทุกคนคอยแต่จะใส่ร้ายตัวเพ่งโทษตัวเอออันนี้น่าพูดถึงนะอันนี้น่าพูดถึงเพราะว่าเวลาที่จิตเราเนี่ยมันยังไงอะ่ะมันมีความที่เรียกร้องคนอื่นหรือว่าอะไรเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ย อยากให้คนอื่นมารักใช่ไหมอยากให้คนอื่นมาสนใจม า, าผูกพันหรือว่ามาชอบพอแต่เพราะว่าคนอื่นเขาไม่ทำตามนั้นเมื่อไม่ทำตามนั้นเนี่ยมันจะหาเหตุผลที่มาปอบใจตัวเองมาเข้าข้างตัวเองว่าเนี่ยพวกเนี้ยิษยาพวกนี้ไม่อยากให้เราดีเกินเขาอ่าพวกนี้ อะไรกันนะเออพวกนี้ใส่ร้ายพวกนี้นี่ขัดขวางเพ่งโทษเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดอย่างเงี้ยเข้าข้างตัวเองอาตมาถึงบอกมันไม่ง่ายนะจิตเราเนี่ยถ้าคุณคุณไม่ตั้งใจจริงๆคุณไม่พยายามให้จิตเนี่ยมันมองความจริงตามความเป็นจริงให้ได้เนี่ยเชื่อเถอะเข้าข้างตัวเองคุณเชื่อได้เลยว่าเข้าข้างตัวเองแน่นอน ก็จะได้ไม่หลอกตัวเองนะถ้าผิดมันจะได้ผิดจริงๆริงนะเอาผิดจะต้องแก้ยังไงนะมันจะได้กล้ายอมรับผู้เจ้าท่านถึงได้ตัดสอนไปเลยว่าผิดแล้วอืมให้เปิดเผยให้กล้ายอมรับคนที่ยอมรับได้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนี่แหละคือผู้ที่อยู่ในธรรมวินัยนี้นะเป็นผู้ที่จะ ทำให้ธรรมวินัยนี้เนี่ยนะยั่งยืนสืบไปยว่าอันนี้ไม่ง่ายเลยนะเพราะบางคนบางทีคิดๆก็คิดล่ามันง่ายคิดไปเรื่อยอะไรง่ายแต่ความจริงจับโกหกจิตเราจริงๆนี่ยากไม่ง่ายหรอกกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองเลยเนี่ยแหนู่นเลยไม่มีไม่แต่นิดน้อยเลยนูน่นต้องไปถึงพระอาหารนนทรม หรือว่าเนี่ยเห็นคนอื่นคอยแต่จะกันแกล้งตัวนะก็คลายละ ก, กีนี้เรียกว่าถ้าเรื่องไม่ดีก็พยายามจะกีดจะกันเอาออกไปให้ให้ดินฟ้าบ้างคนอื่นบ้างตัวเองไม่ผิดไม่ยอมมองเข้าหาตัวเองเลยแต่พอเรื่องดีๆแล้วก็ต้องเสนอตัวรับตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องดีๆแม้งานนี่จัดดีดีนี่ ดิฉันวิ่งคนเดียวเหนื่อยเกือบตายเลยค่ะรับชอบไม่รับผิดนะงานชิ้นนี้สำเร็จขึ้นมาเพราะเราเป็นคนกระตุ้นพวกคุณรู้ไห ม, มคนมาวัดกันเยอะแยะก็เพราะฉันเทศเก่งนะเพิ่มให้ <laughs> นะเพิ่มให้หน่อยมันจะได้แหมดูชัดๆหน่อยนะมันจะหลงตัวเองขนาดาษนั้นหรือเปล่า ยิ่งถ้าไปเจอสำนักวิปัสนาบางแห่งที่เขาแข่งกันระลึกชาติก็ล้วนแต่ชาติใหญ่หญๆโตๆทั้งนั้นชาติซอมซ่อไม่มีเลยมีแต่แย่งกันเป็นจอมนั่นเจ้านี่สาดิษสมัยเป็นวันิพกเร่ร่องไม่เห็นเอามาบอกกันบ้าง เ, เรียกว่าอะไรดีเป็นต้องขอรับประทานคนเดียวแต่ถ้าเน่า ก็พยายามสลัดไปโปรที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเรื่องของเหตุผลเรื่องของการใช้ภาษามันไม่มีวันจนมุมหลอกดีก็สามารถพูดให้เสียได้เสียก็ตวัดลิ้นให้เป็นดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ภาษาหรือเหตุผลออกมาย่อมมีแนวโน้มน่าเชื่อถือทั้งนั้นแหละแต่สัจจะก็คือสัจจะความจริงแท้ย่อมมีเพียงหนึ่งเดียว นีอันนี้เขาเรียกว่าย่อมมีเพียงหนึ่งอาตมาเพิ่มไปอีกนะเขายกตัวอย่างคนอาจจะโจทย์ขานกันว่าพระองค์นั้นพระองค์นั้นอกหักมาถึงบวชหรือล้มเหลวในชีวิตซึ่งก็มีทางเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ใครจะรู้บ้างว่าท่านมาเพราะสนใจธรรมะอย่างจริงๆนะอันนี้คือไม่มีใครรู้ แต่มีคนพูดมีคนวิจารณ์แต่คนที่จะรู้จริงๆว่าท่านมาบวชนี่เพราะอกหักหรือว่าเพราะท่านตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมท่านรู้ด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นคนอื่นไม่มีทางนะลูกบางคนหาว่าพ่อสร้างอะไรขึ้นมาก็เพื่อให้คนโตบ้างคนเล็กบ้างแต่แท้จริงใครจะรู้ใจของพ่อว่าที่พ่อทาขึ้นมาก็เพื่อลูกทุกๆคน เหตุผลบางคนก็อาจมีส่วนถูกอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ถือว่าทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดดูนะงานเลี้ยงครั้งนี้ถ้าไม่มีผมล้วก็แย่แน่บงเล็บคนพูดเป็นคนเสิร์ฟอาหาร <c oughs> มีส่วนถูกนะมีส่วนถูกอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะงานเลี้ยงนี้มันไม่ใช่คนเดียว แล้วคนอื่นเขาต้องช่วยด้วยนั่นแหละโกเทงกรรมละวันก่อนทําผมวันนี้ก็เลยต้องรับวิบากไ อ, อ, อ, อ้วันก่อนทําผมมันน่าจะวันก่อนผมทำนะวันนี้ก็เลยต้องรับวิบากวงเล็บแท้จริงเกิดจากกรรมชั่วเต็มรอบต่างหากคือคือเข้าใจว่าเมื่อวานนี้ทำยังไวันนี้เลยต้องรับแต่ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะทําตั้งแต่วันไหนก็ได้ หรืออาจจะทันตั้งแต่ชาติที่แล้วก็ได้เสร็จพอดีมันมาลงตัววันนี้จะต้องมาชดใช้วิบากกรรมนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาต่างหากเล่าแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาก็พูดมาเนี่ยมันก็ถูกอยู่ส่วนนึงว่าเออมันก็ต้องเป็นเรื่องของวิบากเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ใช่จากเมื่อวานนี้ความจริงจึงมีเพียงหนึ่งแต่ความน่าจะเป็นไปได้กลับมีตั้งร้อยผู้ไม่ลําเอียงมียานทัศนาอันกว้างไกลจึงคือ ผู้มองทั้งโลกและชีวทัศน์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องตรงเป้ามากที่สุดคนที่ตรงเป้ามากที่สุดคือคนที่ไม่มีกิเลสมากที่สุดนั่นแหละคือผู้ที่ตรงเป้าที่สุดยิ่งไม่มีกิเลสนะราคะโทสะโมหะอะไรพวกนี้เลยคนนั้นยิ่งตรงเป้าที่สุดคงเอาตรงนี้แล้วกันนะค่อยมาขึ้นตรงคําพังเพยบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า ทำบุญเอาหน้าภาวนากันตายเพียงทําเพื่อรักษาสถานภาพแห่งตนไว้เท่านั้นเองและต้องดีๆ ด, ด้วยไม่ดีก็ไม่ยอมเอาเอาวันนี้คงขอฝากไว้เพียงเท่านี้